อย่างอินทรีห้าที่เคยกล่าวครั้งก่อนๆเนี่ยอินทรีย์เนี่ยเกิดทั้งห้าใช่ไหมเกิดพร้อมกันทั้งห้าเพราะเป็นสัมปยุตตปัจจัยแต่ว่าถ้าสัพทินทรีย์เป็นใหญ่ขนาดไหนขณะที่ปราลบโสตาปฏิยังฆ่าทำอินทรีสี่ที่เหลือก็มีแต่ไม่เด่นเท่าสัพทินทรีย์ที่ทั้งก่อนอุปมาว่าเหมือนอย่างว่ามีเพื่อนห้าห้าคนที่สนิทกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันก็บ้านคนละหลังอ่ะนะ แต่ว่าเพื่อนคนที่ห้าเป็นพระราชายิ่งใหญ่มากเพราะฉะถ้าเข้าบ้านเพื่อนคนที่หนึ่งพระราชาใหญ่ในแผ่นดินก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องขนาดไปสั่งทุกครัวเรือนขนาดนั้นเลยหรือมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบ้านใครก็คนนั้นรับผิดชอบไปแต่ว่ากินเลี้ยงด้วยกันนะนะั่นแหละแต่พอไปถึงพระราชาวังเนี่ยพระราชาเป็นใหญ่ที่สุดเพราะในการแทงตลอดอริยศาสตร์เนี่ยตัวที่ใหญ่จริงๆก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะตัวที่ตรัสรู้จริงๆคือ สำมาทิฏฐิแต่ว่าปราศจากอย่างอื่นนะอย่างที่เขาบอกว่าพวกอมาตย์เขาบอกวันนี้นะถ้าฉันไม่เป็นอมท์แกก็เป็นพระราชาไม่ได้พระราชากขาบอกถ้าฉันไม่เป็นใหญ่ฉันก็แต่งตั้งไปแกเป็นอมท์ไม่ได้นะะสรุปแล้วใครอยากกันกันแน่มันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยนะมักทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันกุศลธรรมทั้งหลายเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คือทางศีลเนี่ยนะศีลคืออะไรศีลคือกายะประโยค่ะกับวจีประโยคะเป็นพฤติกรรมทางกายศีลเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยเป็นศีลใช่ไหมศีลเนี่ยแบ่งเป็นสองคือจารีศีลกับวาฤศีลทั้งทั้งกายและวาจาก็เหมือนกันทางกายเนี่ยนะเช่นข่าสัตว์รกทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นต้นเว้นเนี่ยดีเยี่ยมอันนี้อย่านะอย่าทำเลยแต่ถ้าเห็นพ่อเห็นแม่ไม่เลี้ยงครูบาอาจารย์ก็ไม่อุปถาคเป็นต้นเลยนะ นั่งเป็นพระเตมีใบ้อย่างเดียวดีไหมไม่ดีสินเสียนะเป็นอาบัตด้วยเห็นไหมถ้าถ้าเป็นพระพิสูจน์นะถ้าไม่ประพฤติวัดปฏิบัติเลยนะเป็นอาบัตถามว่าถ้าเป็นลูกหลานนะบอกว่าลูกคนนี้ดีมากข่าสัตว์ก็ไม่เคยเป็นต้นพ่อแม่เดือดร้อนก็ไม่สนใจเลยนะเขาจะชมแนละ้วก็จะด่าวก็เขาก็แยกกันนะเออมันดีแล้วล่ะที่มันไม่ข่าสัตว์ไม่ลักลับเป็นต้นนะ่ะแต่มันเลวมากตรงที่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> ก็ก็แยกกล่าวไปฉันใด ศีลก็เหมือนการจะแบ่งทั้งสองอย่างว่าไม่ใช่ทำโดยส่วนเดียวไม่ใช่เว้นโดยส่วนเดียวเพราะเว้นในสิ่งที่มีโทษไปทำในสิ่งที่ไม่มีโทษพฤติกรรมอย่างนี้เรียกว่ากายะประโยคค์คำพูดก็ลักษณะเดียวกันเป็นคําพูดที่เว้นจากวจีโทษจริตเว้นจากพูดเท็จพูดสอเสียพูดคำหยาพูดเพอเจอถามว่าในโลกนี้ใครพูดมากที่สุดพระพุทธเจ้าสัมมาวาจาไหม พระพุทธเจ้าไม่สัมมาวาจานี่ก็หมดแล้วละ่ะมันสุดยอดของสัมมาวาจาคือพระพุทธเจ้าวาจาใดที่นำออกจากทุกวาจานั้นเป็นวาจาที่สูงที่สุดฉะนั้นสัมมาวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแส ด, สดงธรรมเพื่อออกจากทุกจึงเป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาที่สูงที่สุดเนี่ยนะทีนี้อันนั้นก็เป็นประโยคะพ่องแสดงธรรมน่ถามว่าเพี้ยนหรือไม่เพีย้ยน เพียนเป็นอย่างมากอะนะเพราะนั้นก็เป็นประโยคะทีนี้ถ้าใช้คําว่าเพียรอย่างเดียวพอไหมไม่พอคนขยันพูดทั้งวันเล ด, ดีไหมไม่ใช่ทําให้มีเสียงทั้งวันแล้วเขาจะชมใช่ไหมคือกายกับวาจาเนี่ยนะที่เป็นศีลเนี่ยเป็นกายประโยคคว่าจีประโยคค่าเลยแหละถ้าเมื่อใดที่ล่วงศีลเช่นว่าทางกายนะควรเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมไม่เว้นอันนี้ประโยคค่วิบัติ พ่อแม่เป็นต้นควรเข้าไปทํากรรมที่ควรทําถ้าไม่ทําวิบัติทางวาจาก็เหมือนกันถ้าไปพูดว่าจีทุจริตวิบัติถ้าไม่พูดสัมมาวาจาก็วิบัตินะถ้าเจนเช่นว่าเรกตัวพระพิสูจน์ถ้าไม่แสดงธําเลยเนี่ยคิดว่าสมบัติหรือวิบัติไม่แน่นะถ้าไม่แสดงปาติโมกกันเลยเนี่ยวิบัติหรือสมบัติวิบัตินะ ถ้าสวดสังฆกรรมเป็นต้นไม่สวดตามอักษรวิธีเป็นต้นถามว่าวิบัติหรือสมบัติเขาวิบัติเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีสัมมาวาจาเออย่างเช่ น, นนะครับเราไปพูดเรื่องของศีลตั้งใจสมาทานศีลกับพอดีอยู่ในหมู่ของโจรก็เลยโดนตีตายเลยอ๋ออันนี้เพราะว่าเรากาละวิบัติไประโยค่าในสมบัตินี่แหละแต่ว่ากาลวิบัติปุขละวิบัติก็จะเกิด สมบัติกวิบัติเนี่ยมันไม่ใช่มีอันเดียวประโยค่าสมบัติจริงแต่กาละวิบัติบุคคลที่เกี่ยวข้องวิบัติสถานที่ก็วิบัติเพราะฉะนั้นวิบัติตั้งหลายข้อสมบัติอันนี้เลยรักษาไม่ได้ไม่พอถ้าเกิดไปปล้นแล้วครับแล้วก็สำเร็จก็ได้ทรัพมาความฉลาดในการปล้นอันนั้นก็เป็นเป็นสมบัติในการวางแผนดีแวิบัติในด้านอาบาย นั่นนะคือสมบัติคือหมายความว่าวางแผนไว้ดีจนสามารถเขาเขาไม่สามารถทำอะไรได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมบัติอย่างนั้นแต่ก็เป็นวิบัติของอีกหลายเรื่องเนี่ย น, นะโดยเฉพาะวิบัติในอบายเพราะการแก้ปัญหาแบบการทู่ศีลเนี่ย น, นะจริงอยู่ถึงจะแก้ปัญหาในตอนแรกได้ดีจริงแต่ทอนท้ายที่สุดไม่ใช่การแก้ปัญหาจริงๆมันเป็นการเข้าไปสร้างปัญหา แต่การพูดสัจธรรมถึงจะพูดในหมู่โจรเนี่ยนะแล้วจุติเพราะเพราะอย่างนั้นก็ไปดีอ่ะนะถ้าไม่พูดเพื่อจะข่มโจรเนี่ยนะด้วยโทสะเป็นต้นก็น่าจะไปดีอยู่แล้วละ่ะมันก็เป็นสมบัติแห่งสุขติภพแต่เป็นวิบัติให้โจรตีเนี่ยนะก็เลือกเอาว่าควรจะใช้วาจาเช่นใดเพราะฉะนั้นศัพทบปุริสธรรมจึงสำคัญที่สุดเรียกว่าอัตันยูรู้จักตนอเนะ มัดตามอยู่รู้ประมาณกาลันอยู่รู้การเนี่ยนะทำมันอยู่รู้เหตุอัธถันอยู่รู้ผลเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนพวกนี้เป็นองค์ประกอบค่อนข้างมากจึงจะเป็นสัตท์บุรุษได้ตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกติอุปัติประโยคะแล้วก็กาละเป็นเรื่องของการตัดสินของการให้ผลของการไหมครับ เกอศัพท์เหล่านี้เป็นสัพ์กลางๆแต่ก็เป็นเครื่องมือที่จะอ่านวิบากด้วยเหมือนกันว่าอย่างอย่างพูดถึงในหนึ่งนะเหมือนกับคนที่มีลูกมีหลานเป็นต้นเนี่ยนะจะดูว่าอนาคตของลูกหลานคนนี้จะไปรุ่งหรือไม่รุ่งนะหนึ่งดูอุปธิมันก่อนใช่ไหมมันเกิดมามพิการหรือเปล่าจะไหมสองถ้าถ้าถ้าจะดูแบบดูลูกดูลานดูทั่วๆไปนะดูอุปธิก่อนใช่ไหมช่วงแรกสองยุคนี้มันยุคไหนอันนั้นดูกาละ สสาวต่อไปคติขขามนุษย์อยู่แล้วล่ะธรรมดาอยู่แล้วนะแล้วประโยคะนะส่งมันเรียนไหมการส่งศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นเป็นประโยคะสามารถจะบอกได้เลยว่าคนนี่อนาคตมันเป็นยังไงมันควรจะเจริญหรือตกต่ำเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาหวังดีต่อกันเนี่ยก็คือไปช่วยในการแต่งอุปธิแต่งอุปธิได้ไหมลูกบางคนที่คนพิการไม่ค่อยดีนักพ่อแม่แต่งจนได้ดีอะ่ะ ก็แต่งได้ในบางส่วนนะแต่ไม่ใช่ว่าพิการขาไปข้างหนึ่งอย่างมากก็แต่งได้แต่อย่างไรมันก็แต่งไม่ไม่ไม่ดีที่สุดนะนะมันก็ไม่เหมือนผลงงการไม่ผลหรอกแต่ว่าสามารถช่วยเหลือแต่งอุปธิได้ในส่วนหนึ่งแล้วล่ะสองแต่งกาละกาละมันองค์รวมใช่ไหมแต่แต่ว่าสําคัญที่สุดคือแต่งประโยคะแต่งประโยคะให้ลูกให้หลานก็คือการส่งเสียเล่าเรียนอันนั่นแหละคือให้ประโยคะ ไปฝึกประโยค่าให้ลูกให้หลานขึ้นในที่สุดเมื่อคติเขาเป็นมนุษย์อยู่แล้วอุปธิเขาดีการลักสมัยที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นประโยค่าเขาดีเนี่ยนะเพราะมีศิลปะวิทยาฐานะเป็นต้นก็บกประกาศได้เลยว่าคนนี้ชีวิตเขาสบายแน่เนี่ยนะอันนี้คือมองแบบวิบากในชาติเนี่ยนะอันนี้คือแบบทุกพ่อแม่ทั่วๆไปจะมองกันอย่างนี้ทีนี้ถ้ามองแบบพระพุทธเจ้า พระองค์จึงไม่สรรเสริญให้มีแค่วิบากดีในชาตินี้เนี่ยนะก็แต่งประโยคฆาของชาติหน้าอันนะที่เรียกว่าสัมมาพวกศีลทั้งหลายก็แต่งประโยคฆ่าในภพต่อไปแล้วในที่สุดเป็นสุดยอดของประโยคฆาคือการแต่งเพื่อออกจากทุกเนี่ยนะอันนี้เป็นประโยคฆ่าเรียกว่าต้องมักแปดต้องต้องมักแปดจริงๆนีิการแต่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะปะจัจจัยก็มากเหลือเกินเนี่ยนะ ปัจจัยมากนั่นแหละที่เรียกว่าพระ อ, องค์ประกาศศาสนาพ่านองค์ประกอบของศาสนาเจิงมากองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่ข้อแรกศาสดาเป็นสัพพัญยูจริงข้อสองสาศาสดาเป็นรัตตันยูอันนคือรู้ราตรีมานานก็ต่อไปสาวกทั้งหลายแบ่งเป็นชั้นเถระชั้นมัชชิมะชั้นนวกะเถระก็มีความรู้ความสามารถ มัชชิมะนวักะก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพระเทรีเทรีที่เป็นเทรีจริงๆแล้วก็เป็นมัชชิมะเป็นนวักะอุบาสกที่ครองเรือนอุบาสกไม่ครองเรือนอุบาสิกาครองเรือนอุบาสิกาไม่ครองเรือนพภาษาธรรมแท้หลายเป็นในโลกมนตนั้นองค์ประกอบของพระพศาสนาขึ้นก็เกิดจากประโยคะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นาศาสนาแห่งประโยคะมันอริยมรรคนั้นจึงเป็นประโยคะ แม้กระทั่งการที่พระองค์ตรัส ก, กับพระโพธิละในคาถาธรรมบทใช่ไหมโยคาฮาเวภูริปัญญาเนี่ยที่พระองค์บอกว่าปัญญานี้เกิดจากการประกอบแพรปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประยอบไม่ประกอบคือเพราะไม่มีโยคะหรือไปโยคะเนี่ยนะบุคคลรู้ทางสองแง่งอย่างนี้รู้ว่าปัญญาเกิดเพราะประกอบปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบพึง ตั้งตนไว้โดยปัญญาที่ปัญญาจะเกิดขึ้นก็คือการประกอบนั่นแหละปัญญาจึงจะเกิดซึ่งสมัมมาเนนได้แนะนําบอกว่าให้ตั้งกรรมเอาไว้ที่มโนทวารเนี่ยนะตั้งกรรมไว้ที่มโนทวาร น, นั้นการตั้งประโยคน้าเนี่ยตั้งไว้ที่มโนทวานถ้าตั้งไว้ที่จกักรทวานนะั้นเสียหายตั้งไว้จกักรทวานดีไหมครับพิสูจนเที่ยวดูซกส๊ลกลักไปเรื่อยเ่นะ็นไหดีหรือไม่ดีเสียหายเลยนะ ไม่น่าตายบาตให้ฉันเลยเนี่ยนายองก็คิดไปขนาดนั้นเลยซ้ําไปเพราะนั่นแต่ว่าถามว่าพระพิสุทธิ์นั่งนิ่งไม่รู้อะไรเลยดีไหมไม่ดีดเพราะฉะนั้นห้ามจากครูทวารใช่ไหมแต่ตั้งไว้ที่มโนทวารแล้วจะให้ท่านไปคิดอะไรเอเนี่แหละพระไตรปิฎกทั้งหมดเราบอกวิธีท่านคิด น, นะนะบอกท่านต้องไปคิดตามนี้นะถ้าไม่คิดตามนี้ล่ะองค์ก็ตำเนออีกเ น, นะนี่เนะตำเนว่าโอ้เธอทําไม ไม่ภาคเพียนในพระศาสนาเนี่ยนะคณี่ศาสนาที่เราสอนไม่ดีแล้วทําไมเธอจึงเกียดข้านเนี่ยนะบัณฑิตในปางก่อนถึงขนาดทําในสิ่งที่ไม่ได้นำออกจากทุกข์ก็ยังภาคเพียนนะก็แสดงชาดกเพื่อให้มีกําลังใจอีกหน่อยเป็นต้นนะ่ยนะเขาทายังไงก็ได้ที่จะให้ประกอบมรรคมีองค์แปดเนะเพราะนั่นเป็นทางแห่งความเจริญเพราะเหมือนกับอุปมาเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าสอนสาวกเหมือนพ่อแม่ส่งลูกเรียนนะนะถามว่าใช้วิธีใดบ้างพูดเพราะๆอย่างเดียวใช่ไหม หรือดูอย่างเดียวก็ในนี้เป็นเยอะนะจริงหองมาไม่มีลูกหรอกคคนก็ส่งจบกันตั้งเยอะแยะทําเป็นมาพูดในขะ้อฟังทีนี้มาดูวิมุตติยานบ้างนะยานในวิมุติวิมุตติยานก็คือกลุ่มปัจจเวกขณะยานนั่นแหละเป็นกลุ่มนะกลุ่มปัจจเวกขณะยานคําว่าฉิน นวัตุมานุปัสนปัญญาแปลว่าปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสอันอริยมักตัดขาดแล้วมันมีมุตติยานก็คือหลุดพ้นหลุดจากอะไรก็หลุดจากกิเลสนั้นปัญญาที่รู้อริยมักที่ไปละกิเลสแล้วนะปัญญาที่รู้ถึงการละกิเลสอันนั้นแหละเรียกว่ามีมุตติยานความว่าปัญญาในการเห็นภายหลังซึ่งอุปกิเลสนั้น น, นอันอริยมักนั้นนั้ะตัดขาดแล้ว ทำไมท่านมาใช้คำให้มันยากนะนั่นนั่นนั่น่นทำไมใช้สรรพนามนี่ขึ้นเพราะมักมีทั้งสี่มักนะนะท่านจะพูดคำว่านั้นๆเอาไว้นะมักนั้นๆั้คือโสดาปฏิมักนั้นสกทาคามีมักนั้นอนาคามีมักนั้นอรหัตตมักนั้นนะนะคือท่านจะเขียนมาหมดแล้วคำพีมันจะใหญ่ไปอนะอะไรพอนั่นได้โน่นได้นี่ได้ก็ใช้ไปเหอะจะได้เบาอะนะอย่างคำสรรพนามทั้งหลายเลยนะนะท่านผู้การเดี๋ยวก็ท่านผู้การทุกคำไปหมดเลยนะถามมาเพราะไหม ไม่เพราะก็บอกว่าท่านบ้างคุณบ้างอะไรบ้างก็จะได้ลัดลั ด, ลดบ้างความไพเราะของสำนวนภาษาบ้างพันโสดาปฏิมาเนี่ยกำจัดอุปกิเลสอะไรบ้างอุปกิเลสก็คือกลุ่มสังโยชนะนะก็โสดาปฏิมา ก, กำจัดสกายะทิถิวิจิกิจฉาเสลผตาปรามาโสดาปฏิมา ก, กำจัดการมราค่าย่างยาบปฏิฆะย่างยาบอนาคาเมมัมกกำจัดการมราคะปฏิฆะอย่างละเอียดที่เหลือ อรหัตต ม, มคัปปาคตมจารูปาราคาอรูปราคะมานะกุฏะจอาวิชาถ้ากล่าวโดยอนุสัยโสดาปฏิมัคําจัดทิฐานุสัยกับวิจิกิจชานุสัยอนาคามีมัคําจัดการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอรหัตต ม, มัคําจัดมานานุสัยภาวะราคานุสัยและอวิชานุสัยอย่าังไงนีนะ